บัดนี้จัดแสดงธรรมะเมื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของธรรมะนั้นเมื่อจาแนกออกไปเป็นรูปของความดีความชั่วซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่สุดแล้วจะพบว่า ประเด็นสำคัญในการเจะละความชั่วและการปฏิบัติความดีก็อยู่ที่สามารถมองเห็นโทษของความชั่วเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนในระดับต่างๆและมองเห็นผลของความดีได้อย่างชัดเจนในระดับต่างๆเช่นเดียวกันแต่าสามารถมองเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาพินิษพิจารณา เลือกเฟ้นสิ่งที่ดีงามมาประพฤติปฏิบัติพยายามป้องกันลดละความชั่วที่ยังไม่เกิดและที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อทำได้เช่นนี้ความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจของบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นคือความชั่วจะลดน้อยถอยลงไปปริมาณของความดีจะสูงขึ้นความสุขความเจริญความสงบ ก็จะเป็นผลที่ติดตามมาดังนั้นเมื่อเรามองในหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาแล้วก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงผลของความชั่วเอาไว้ในระดับต่างๆทั้งส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมที่ผลของความชั่วรุนแรงที่สุดก็คือเรื่องศึกสงคราม ที่มีการเนขนฆ่าประทุสร้ายกันอย่างรุนแรงในการลบหาย ต, ตายจากมีการสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินเป็นนั้นมากนั้นเมื่อสาไปถึงที่มาของความรุนแรงเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงที่มีการตอกย้ำปริมาณของความโลภความโกรธความหลงให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นสงครามใหญ่แล้วฆ่ากันตายถึงจะมองภาพในรู ป, ปรธรรมอีกด้านหนึ่งที่ทรงสอนอุปมาเห็นว่ากิเลสเหมือนกองไฟเราจะเห็นภาพของการเผาไหม้ที่มีความรุนแรงของไฟซึ่งเกิดขึ้นมาจากจุดเล็กๆแต่ไฟเหล่านั้นก็ได้เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการลุกไหม้ก็รุนแรงเพิ่มขึ้นการเผาผลาญการทำลายความสูญเสีย ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆก็จะเป็นผลที่ติดตามมาภาพเหล่านี้จะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นได้ในชีวิตประจำวันคือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศึกษาให้เกิดความเข้าใจโทษของกิเลสได้โทษบางอย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตกบายรเรียกว่าตกนรกเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่มียานปัญญารู้ระดับนั้น โทษส่วนนี้เราจึงใช้ความเชื่อพระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้โดยใช้ปัญญาเรา อ, อิงอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกันในเรื่องเราอื่นที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นการเชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อผูยย้ใหญ่ เชื่อตนาหลักฐานเอกสารต่างๆทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเราเชื่อมั่นในบุคคลเหล่านั้นก็่อให้เกิดการงดเว้นและการประพติปฏิบัติตามสมควรแก่กรณีพืนกันควารเชื่อที่รุมแรงลงมาก็ถือว่าถ้าเป็นเรื่องของปัจเจกชนแต่และคนแล้ว ก, ก็รุนแรงที่สุด นั่นคือความเห็นที่ปฏิเสธความดีความชั่วและผลของความดีความชั่วรลอา จ, จะคิดพิจารณาได้แต่การกระทำของคนที่มีความรุนแรงออกไปได้ผลพอสืบสาวไปมาปรากฏคนเหล่านั้นไม่ยอมรับในเรื่องผลของความชั่วและผลของความดี ไม่ยอมรับการมีอยู่ของความดีความชั่วไม่ยอมรับการมีอยู่ของบาปของบุญไม่ยอมรับเรื่องกุศลนกุศลคนประเภทนี้จะมีปฏิบัติการที่รุนแรงและเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นได้เรื่อยๆจนสามารถจุดชั้นวนสงครามขึ้นมาได้บางครั้งเราอาจจะมองจากจุดเล็กๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแล้วก็มีการขยายผลสืบต่อกันไปถ้ายกตัวอย่างเราอาจจะศึกษาจากสงครามโลกครั้งที่สองจึงมีการสูญเสียมีการล้มตายแล้วก็ร่องรอยเราดันยังเหลืออยู่แม้ในปัจจุบันถ้าเราสาว้ถึงที่มาก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากความริษยา ชนชาติยิวที่มีอยู่ภายในจิตใจของฮิตเลอร์ตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กๆแล้วเกิดความโกรธในการกระทำของคนยิวผลความริษยากับความโกรธที่จริงก็เกิดขึ้นเฉพาะภายในจิตใจของฮิตเลอร์ตอนนั้นเองในขณะนั้นแต่ก็มีการสะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนความคิดรุนแรงออกไปในรูปที่จะต้องทำลายล้างเาผ่าพันธุ์ของชนชาติยิว มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำคนเดียวก็ไม่ได้เราก็มีการปลุกระดมในการรบหน้าจิตใจคนอื่นเห็นตามคล้อยตามไปเรื่อยการพูดในแนวนี้จะพูดเฉพาะส่วนไม่ดีเพราะถ้าพูดเฉพาะส่วนไปพูดถึงส่วนดีเขามันก็ไม่สามารถที่จะกระพืิโคมให้เกิดความโกรธความริษยาเหมือดก็ที่ตนเกิดได้ในสุดมันก็กลายเป็นกระบวนการนาซีขึ้นมา แล้วก็มีการขยายผลออกไปแต่เราจะเห็นว่าภายในใจของคนแต่ละคนึก ส, สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานั้นจะมีความริษยาแล้วก็มีความโกรธเป็นหลักพอมากขึ้นค ว, ค, วมมความรุ่มหลงความงมงายความร้าเหตุผลก็จะมากยิ่งขึ้ น, นจนถึงจุดหนึ่งก็ทํานองใกล้ๆกี่หลังเสือขึ้นลงไม่ได้พอกลายเป็นความดื้อรั้นที่ยอมแหลกสลาย ทั้งตัวเองทั้งชาติบ้านเมือนทิ้งความเดือดร้อนเอาไว้แก่อุชนรุ่นหลังนั่นก็คือกระบวนการของกิเลสที่ออกมาจากใจของบุคคลขยายผลเข้าไปสู่ใจของบุคคลอื่นแล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทาแล้วก็ดึงชนชาติต่างๆเข้ามาเป็นพันธมิตรมีการรบต่อสู้กัน วันเมื่อมองเห็นได้อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่ากิเลสนั้นเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองก็แกล้ๆธรรมชาติของไฟก็ร้อนอย่างนั้นเองทำยังไงว่าในความเป็นไฟนั้นแหละจุดที่เป็นอันตรายก็คือจุดที่เราควบคุมเขาไม่ได้แต่เราก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของไฟ ไในจุดที่มีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือจุดที่เราคุมเขาได้รืยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยตัวเราก็ต่างสมัยนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้การเปิดสวิตซ์เปิดปุ่มอะไรแต่ไรต่า ง, ง, งๆเอากลาีไฟขยายไฟให้แรงขึ้นหรือลดลงก็ได้แนเ่เรื่องนี้เราก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นการใช้ไฟตรงนี้ต้องการใช้ไฟมากแล้วก็เพิ่มไม้พื้นขึ้นต้องการจะลดไฟก็ดึงไม้พืนที่ติดไฟแรงๆออกมาแล้วก็ลดเราได้เรื่ อ, ๆอยๆจนถึงก็ดับเราอาจจะเรียนจากการหุงข้าวเพียงหม้อดเดียวหรือทําแกงเพียงอย่างเดียวก็จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้เห็นไดว่าในชั้นของชีวิตสามัญชน ไม่ใช่เรื่องของการดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของพระระยะแต่เราสามัญชนก็ทํำยังไงจะลดความรุนแรงของกิเลส ท, ที่ออกมาทางกายกับทางวาจาให้ได้ซึ่งก็เป็นการลดในชั้นของศีลแต่ความรู้สึกเหล่านั้นก็ยังเผาหลนจิตใจให้เกิดความเร่าร้อนให้เกิดความคุ้งซ่านให้เกิดความคิดที่จะล้างผ่านที่จะทําลาย เป็นสูญเสียความสงบได้มันก็เป็นความคิดที่เป็นภัยเป็นอันตรายตัวตัวเองทำลายสุขภาพจิตของตัวเองก็พยายามที่จะลดในด้านของความคิดพราวิธีการของสมถกรรมฐานยังโดยการเจริญยังไงก็ตามที่แต่ละคนได้ศึกษาและได้ปฏิบัติมานั้นท่านก็สอนให้มองดูว่าอะไรที่ทำแล้วสบาย ดิจิตใจน้มน้อมก็าหาความสงบได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วขึ้นตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นก็ใช้วิธีนั้นเราะจุดมุ่งหมายจริงๆก็คืออยู่ที่การสงบความคิดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจที่พระเจ้าทรงใช้กรามนิวรณเพราะจิตใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรู้สึกนิคิดที่กอบด้กิเลสนั้นมันจะกั้น ความดีไม่เข้ามาสู่จิตจะในขณะที่บำเพ็ญภาวนาจเจริญกับธรรมกบฏฐานหรือแม้แต่การฟังธรรมการอ่านหนังสือแต่ในขณะนั้นจิตใจของเราสายไปด้วยอำนาจของนิวรณ์แม้เพียงข้อดเดียวอย่าจะเนียวนึกสึกนึกถึงสิ่งที่เราอยากได้พอใจเพลิดเพลินชื่นชมยินดีสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ได้ เรื่องที่กำลังปรุงคิดคิดปรุงไม้เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ได้เรื่องเหล่านั้นต้อมาจากภายนอกในขณะนั้นก็ได้อย่ เ, เช่นยกตัวอย่างเราอ่านหนังสือด้วยแล้วฟังเพลงไปด้วยถ้าใจมันเกิดชอบเพลงมากกว่าหนังสือแม้จะอ่านหนังสือในขณะนั้นความรู้หนังสือก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าใจถูกแบ่งแยกไปด้วยอำนาจประกาศในสันคือความชอบในเสียงเพลง เธยิ่งดูตทรละทัดแล้วไปใหญ่เพราะมันจะไปทั้งตาทั้งหูสมาธิในการอ่านมันก็จบพอตาไปดูโทรทัศน์มันก็ไปเห็นตัวหนังสือก็จบกันนี่แสดงเห็นว่าในขณะนั้นตัวนิวรนั้นมีการการะตุ้นมาจากข้างนอกจิต ใ, ใจเราก็เกิดความรู้สึกพอใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นแต่บางอย่างเป็นเรื่องของการตรึกนึกการเหนียว น, น, นึกของเราเอง สิ่งข้างนอกอาจจะไม่มีอะไรในขณะนั้นแต่ใจก็ไปดึงสิ่งที่เราเก็บสะสมเอาไว้มีความรักใคร่มีความพอใจหรือมีความโกรธอะไรก็ตามก็าํามันอยู่นึกจุดนึกแต่มก็วิ่งก็ไปสู่อดีตก็ได้อานาคตก็ได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดึงไปจากความสงบซึ่งตนกับพังสร้างให้เกิดขึ้นม่ไปที่นห้ความสงบก็คือขึ้นไม่ได้ ถ้าเราคิดเป็นรูปภาพเป็นเรืปเป่องเวลาเราอาจจะมองได้ต้องมองคล้ายๆกับตอนที่พระรามให้ทหารจองถนนข้ามสมุตรไปเกาะลงกาตัวนี้มีทิฏิเนียมนาามากไม่ว่าจะเป็นอรุมานินเอกดินนนชมพูพานสุครีตอะไรต่างๆที่โปร18มงกุฎที่ไปคนกัน แต่เรากล่าว่าถมเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เป็นถนนขึ้นมาสักทีก้อนหีนก้นหินเหล่านั้นมันหายไปเหตุที่กนอิฐกอ้อนหินเหล่านั้นหายไปก็เพราะนางสุบัรณวัชฌามาดึงเอาออกไปเจ้าเรก็เห็นลักษณะาการต่อสู้ของอารมณ์สองอย่างคนหนึ่งทํางานคนหนึ่งก็ไปล่างพ่าน หรือแมแต่ว่าขุมข้าวเนี่ยคนหนึ่งไปเร่งควายคนหนึ่งไปรีไฟมันก็ทําให้เสร็จสักฉีหนึ่งเรมีลักษณะสองอย่างที่มันขัดแย้งกันอยู่ภายในใจโดยการเหล่านี้มันก็ดูที่ใจเราดูจากการอ่านหนังสือก็ได้ดูจากทํางานก็ได้ดูจากการจเจริญสมาธิกรรมฐ า, านก็ได้ว่ามันมีความขัดแย้งกันสองอย่างเราต้องการจะอ่านหนังสือ แต่ว่าใจนั้นไม่ได้อยู่กับหนังสือไปอยู่กับเสียงเพลงเสียงภาพโทรทัศน์หรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตเราต้องการจะเจริญสมาธิใจมันวิ่งเข้าไปสู่อารมณ์ในอดี ต, ตปั้งอนาคตปัง้งปัจจุบันปั้งสถนานะอย่างเดียวกันก็เหมือนกับขวายหนึ่งก็โยนหินลงไปขวายหนึ่งก็ดึงออกไปเป็นความขัดแย้งกันเป็นความแตกแยกกัน งานเหล่านั้นก็ไม่อาจที่จะสําเร็จได้หมายความยังไงหมายความว่าถ้าไม่จัด ก, การกระนางสุพันณมัจฉาทียนุมาลจัด ก, การแล้วสร้างถนนกี่ปีก็ไม่เสร็จเรื่องสมาธิเรื่องอื่นๆคือหมายความว่าทุกเรื่องก็งจะมีลักษณะอย่างเดียวกันจะไม่ต้องจะต้องขจัดสิ่งที่ขัดแยง้ง สิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ทําลายล้างสิ่งที่ขัดขวางออกไปแต่เป็นงั้นแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจไม่ได้เพราะแนวการปฏิบัติมันจึงมีอยู่สอ ง, สองจุดใหญ่ก็จุดตึงก็คือตัวเหตุจุดหนึ่งก็คือตัวปัจจัยที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาสนับสนุนตัวเหตุนั้นเป็นเป้าประสงค์ที่เราตั้งไว้แต่หากว่าไม่มีปัจจัยเข้าหนุน แล้วก็ไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหนังสือหรือการปฏิบัติกรรมฐานก็ตามปัจจัยต่างๆนั้นอาจจะมีทั้งส่วนวของร่างกายส่วนของอารมณ์ส่วนของสังคมส่วนของสุขภาพและส่วนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆว่ามันเกือกอเก้อกูลหรือไม่เกื้อกูลจะมีการจเจริญกรรมฐานอยู่ ซึ่งต้องการความสงบเพราะเสียงนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบอย่างยิ่งแต่เรานันก็เริ่มจะทำใจเกิดความสงบแต่มีคนหนึ่งอาจจะส่งเสียงดังขึ้นหรือทำอะไรดังขึ้นก็ดึงจิตเราออกจากความสงบแต่ท่านคนนั้นก็หยุดเราก็นั่งใจก็น้อมไมจะหาความสงบก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกจิตมันก็ถูกดึงไปอีก คือถ้าทำอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะให้ความสงบมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะเนวกรรมฐานที่ทาาา่านใช้กรรมสัปพายะคือสบายสบายก็คือสะดวกสบายก็หมายความว่ามีลักษณะเกื้อกูลทังก็เหมือนกันทั้งหมดที่เราจะอ่านหนังสือมันก็มีลักษณะเกื้อกูสภาพแวดล้อมบุคคลลักษณะทางอากาศลักษณะทางอารมณ์ของเราสุขภาพของเราจิตใจของเราเนี่ย จะต้องคืบคุลกันไม่ใช่ว่าครูก็สอนดีบรรยากาศก็ดีอะไรก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีแต่เราท้องเสียปัญหาว่าเกิดขึ้นที่เราจิตใจก็เพรา ะ, ระว่ากังวลในเรื่องของท้องเสีย ห, หรือาจจะปวดหัวหรืออะไรก็ได้แต่มันเกิดที่ส่วนตัวเรานั้นแสดงว่าเราเองก็เป็นอุปสรรคของเราปัจจัยตัวนอกสนับสนุนอย่างไรมันก็ช่วยอะไรปไปได้ หรือต้ององคล้ายๆกับที่พระเจ้าส่งอุปมาถึงการปลูกพืชพลูพืช น, นั้นถ้าได้โอชาของดินดีลักษณะาอากาศดีสภาพแวดล้อมดีพืช น, นั้นก็จริญเติบโตได้แต่ถ้าเกิดว่าพืชตัวนั้นเองมีศัตรูรพืชอยู่ภายในแต่ปัจจัยข้างนอกมันดียังไงก็ตามมันปลูกไม่งอกแต่แล้ว มีปัญหาในตัวต้นพืชเองไม่ได้มีปัญหาที่ตัวสภาพแวดลอ้อมแต่บางทีมันก็อาจจะมีปัญหาในสภาพแวดลอ้อมจนว่าพืชจะได้ดีปลูกในดินที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีพืชนั้นก็โตได้ยากในจุดนั้นไม่ได้หมายความว่าพืชมีปัญหาแต่ว่าสภาพแวดลอ้อมมมีปัญหาแต่ก็ได้สองอย่างมันก็ไปได้เร็ว มันปัญญาที่จะต้องใช้ในการพิจารณาในการเลือกเฟ้นสิ่งหลางที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องจริงจำเป็นจะต้องใช้ลักษณะปัญญาจึงเหมือนแสงสว่างเราจะพบว่าแสงสว่างนั้นทำหน้าที่กระจัดความมืดแต่ความมืดบางทีแสงสว่างในจุดนั้นมันก็ส่องไปไม่ถึงมันก็ต้องสายไป พมองแค่เราถือไฟสายก็ไม่ได้ส่องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็ส่องไปทุกจุดที่ตนไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเมื่อเราส่องไปแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่แน่ใจมันเกิดแน่ใจทาให้การวินิจฉัยการตัดสินนั้นได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพราะการเจริญธรรมกรรมฐานพูดง่ายๆว่าการปฏิบัติความดีทุกเรื่อง จำเป็นจะต้องมีการสอดใส่มีการตรวจสอบดูว่าตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรปัจจัยต่างๆมีการสนับสนุนพอไหมเดี๋ยวถ้าบางทีมันสนับสนุนไม่พอแต่ถ้าเราจะไปแก้ข้างนอกมันก็มีปัญหาแต่แก้ไม่ได้เราก็แก้ที่ใจเราเทสาชนทั้งหลายจึงพบ ว, ว่าธรรมะบางข้อนั้น เห็นได้ชัดเราเราแก้ข้างนอกไม่ได้เราก็หันมาแก้เฉพาะใจเราเองเราจึงมีธรรมะประเภทอดนทนเรื่อการไม่ใส่ใจการไม่สนใจการอดกั้นต่อเรื่องเหล่านั้นการสงบสุเงียบต่อเรื่องเหล่านั้นตลอดถึงถ้าเป็นคนก็คือการแผ่เมตตาจิตต่อคนเหล่านั้นและการให้อภัยเป็นตน นี้แสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ตัวนอกไม่ได้จะเราจะอ่านหนังสือเราจะเจริญกรรมาฐานแต่ก็มีเสียงดังมีคนก็คุยกันถ้าเราจะไปบอกให้ เ, เขาหยุดคุยแล้วก็หยุดส่งเสียงดังมันที่ว่าจะทะเลาะกันไปเลยแทนที่จะลดกิเลสมันกลับเพิ่มกิเลสมากยิ่งขึ้นเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าแก้แล้วก็คงมีปัญหา แต่มาแก้ที่ใจเราคืออด ก, การอดทนเอาไว้ด้วยการไม่ใส่ใจแต่เสียงนั้นยังดังอยู่โผนยังรบกวนยูเ่เราก็อดทนเอาบางทีก็แรงเราก็อาจจะอภัยเขาหราือเไม่เข้าใจแล้วก็แผลเมตตาไปาก็ทำมากเข้ามาช่วยกันหลายๆเรียกว่าช่วยกันคนละมือละมือมันจะมีการเสริมกำลังภายในของเราให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น กำลังจิตใจของเราบ้านผกมากยิ่งขึ้นแต่ประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องมองเห็นโทษของกิเลสได้อย่างชัดเจนถ้าตราบใดยังไม่มองเห็นโทษตราบนั้นจะไม่มีการลดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกียรติคร้านจะเป็นเรื่องพุ่งสัน้นจะเป็นเรื่องพูดปากจะเป็นเรื่องไม่เอางานเอาการเอาการเรื่องขาดความตอ่อเนื่องอะไรก็ตาม คือถ้าเราไม่ไม่เห็นโทษเนี่ยโทษนั้นไม่ประจักษ์แจ้งแก่ใจของเราเองเราก็ลดล่าสิ่ ง, งนั้นไม่ได้แต่บางครั้งก็ไปแบกอะไรเอาไว้ตั้งนานๆแต่ตัวอย่างพระชนะที่เคยเล่าฟังเราจะพบ ว, ว่าพระชนะนั้นมีปัญหาอยู่นิดเดียวที่ถือตัวจัดเท่านั้นเอง แล้วก็ท่านแบกมานะความถือตัวจัดอยู่นั้นประสบปัญหาสารพัดในสมัยที่พระเจ้ายัางทรงประชวอยู่เป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติพระวินัยมากมายจนเพื่อนเองก็ไม่อยากเกี่ยวข้องคบค้าสมาคมกับท่านภาพเหล่านี้ที่จริงแล้วก็เป็นโทษแต่มันไม่ประจับไม่ประจับแจ้งแก่ใจของท่านเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเราั้นมัน สะสมไวมากพั้อมองใกล้ๆกับสนิมที่สะสมไวในภาชนะมากไอ้การขัดถูเป็นเล็กๆเล็ ก, ลก<ๆ>น้อยเบาๆเนี่ยมันออกไม่ได้มันต้องขัดถูอย่างแรงแล้วขัดถูนานๆก็มีความตอดเนื่องไอ้สนิสนมบนนั้นก็ออกไปได้วันสมัยพระพุทธเจ้าเองที่ยังทรงพระชนม์เองก็แก้ปัญหาภาชนะไม่ได้ ก็ต้องวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าเมื่อพระงคนิพพานไปแล้วเนี่ยต้องลงพรหมทันกัช น, น, นะห้ามใครพูดด้วยเกี่ยวข้องด้วยจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องไปยุ่งกัน <c oughs> ตรงนี้ท่านจะเกิด ค, ความสำนึกได้อย่างดีว่าถ้าเกิดเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตายแนะ่ทุกคนไม่ยอมพูดด้วยไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยไม่ยอมสนับสนุนด้วยอยู่คนเดียวได้ที่ไหน ในสุดโปรแกรมกับเนือกับตัวเองได้ก็สามวันนั้นเองนดก็บันลุมากพอแล้วนี่ก็คือการเห็นโทษไปจากแจ้งแก่ใจในสุดก็จะพยายามลดละผ่อนคลายโทษหลดนั้นแต่อย่ามองเห็นภาพของคนชาวบ้านที่มาโฆษณาประชาธิปันของโทษบุรี่บ้างโทษของสุราบ้างตัวของการประนันบ้าง มันสําหรับตัวท่านแล้วก็ชาไปมากก็เรียกว่าหมดสภาพหมดแล้วติดบุหรีจนตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแต่ก็แสดงโทษของบุหรีให้ฟัคนติดปิดสุราก็หมดสภาพเหมือนกันก็ไปนอนอธิบายโทษสุราอยู่บนเตียงแม้จะโรคเออดโรคอะไรเราก็จะพบคนในลักษณะนั้นจะ ถ, ถามว่า ที่เป็นเช่นนี้พระอะไรเพราะว่าเห็นโทษช้าไปมันคล้ายๆกับเราเห็นโทษของไฟเมื่อายบนไม้ลวกพองเต็มตัวไปแล้วก็ที่จริงก็ดียังไม่ตายนะแต่ถ้าเห็นก่อนหน้านั้นมันก็จะดีกว่า น, นั้น ไฟคงไม่ถึงกับลวบพองจนท่วมร่มเมืม่อทว่ท ว, มทวมตัวไปก็อาจจะมีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแลก็แก้ปัญหาง่ายอีกขึ้นแต่ถ้าบ อ, อกคนนอกมันก็ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ทั้งความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆจะ ก, ก็มีตัวอย่างมีบุคคลให้เห็นจะได้เกิดการระมัดระวังการสำรวมไม่ติดสิ่งเสพติดเหล่านั้น ไม่สูบุหรีไม่ดื่มสุราไม่เกี่ยวกลางคืนไม่ตกเป็นทาสกองป่ายจำพวกในกองทัสด้านเหล่านั้นก็เป็นอุปกรณ์ในการเรียนในการแสวงหาประโยชน์จากการลากักความชั่วของเราได้ดีแม้ตัวท่านจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงกร็ตามเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ชาไปเท ถ, ถามมาเป็นออไรไรเพราะว่าความรุนแรงของกิเลสอย่างศีวะเกิมีอยู่มาก ตัวนองสนิมที่จับเครือบไปหมดมันก็ขาดยากต้องใช้เวลาใช้ความพยายามที่มีความตอดหนึง่งพันี่โบราณท่านสอนเรื่องการใช้ความเพียรพยายามบางอย่างเราดูแล้วว่าไม่มีความจําเป็นแต่ที่จริงก็เป็นตัวอย่างในสอนเอาขนทั้งให้เป็นเข็มขนักดูว่าเข็มกับทั้งแล้วก็เอามาขนทั้งเหล็กมาคือมามาขนให้เป็น ทำฝนให้เป็นเข็มเนมีน่ยมันมันรู้สึกว่ายากไป้ลคราวนี้เพียงแต่ท่านแสดงถึงความเพียรที่ต่อเนื่องก็คงไม่มีใครโง่งมานั่งผลทั้งไอ้เป็นเข็มอยู่พอแก่ไปแยะไกว่าจะผลได้เนี่ยแต่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความเพียรพยายามที่มีความต่อเนื่องนั้นสามารถที่จะทำงานซึ่งเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้วราการ ศึกษาการประพฤติปฏิบัติการพัฒนาจิตใจของบุคคลจึงต้องมองเห็นโทษของสิ่งที่เราต้องลดละต้องบรรเทาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองเห็นทุนเห็นคุณค่าเห็นความดีเห็นความสุขซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องีนเราได้จากการทาดี แต่จะเพราะว่าเราทําดีเราก็ได้ทําดีเราก็ได้เป็นคนดีได้รับความสุขและรับความสงบเป็นที่พอใจของพ่อแม่วงาาศาคณญาติเพื่อนฝูงถ้าเป็นเรื่องโดดเด่นก็ได้รับการยกย่อง จ, จุดสูกันได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีได้สถานะในสังคมมันก็ได้ขึ้นเยอะเลยมันก็แนวปลูกพืชดังกล่าวแล้วคือความเพียรพยายามในช่วงปลูกพืชที่จริงก็ไม่หนักหนาอะไรเท่าไหร่ ย่อยากอยู่หน่อยคือช่วงรักษาบำรุงแต่พอแกให้ผลแล้วมันให้ผลมากเลยผล น, นั้นไม่รับเฉพาะเราลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้กินด้วยได้รับประโยชน์จากเครื่องดูดนั้นด้วยเมื่อมองเห็นค่าของความดีที่เป็นกระบวนการต่อนเนื่องยาวนา น, แ ล, าาาน แ, แล้วขํามภพข้ามชาติที่พระเจ้าทรงแสดงเราจะเห็นว่าแสดงสามตอน ตอนหนก็เรื่องปัจจุบันตอนที่สองก็คือพบชาติที่ประณิทขึ้นตอนที่สก็คือมรควนิพานแต่เป็นความต่อนเนื่องซึ่งมีการริเริ่มไว้ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนคล้ายๆกับต้นพืชที่ต่อมาก็ลูกของพืชเหล่านั้นเองมันก็ออกออกเป็นลําต้นขึ้นมาก็ขยายเป็นป่าพืชเหล่านั้นขึ้นมาได้ต่งางๆที่มันเริ่มจากต้นไม้ถึงต้นเดียว พระวิธีธรรมชาติกับวิธีของธรรมะที่จริงเป็นกระบวนการเดียวกันเพี่ยงแต่กระบวนการของธรรมะเป็นเรื่องของนามธรมธรมทำไมก็เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแต่เมื่อสะท้อนออกมาแล้วมันก็จะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันได้ทั้งส่วนของความดีและส่วนของความชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้ากว่าจะสัตยรู้ได้ก็เกิดขึ้นมาจากการแยกแยะโทษของความชั่วประชักแจ้งประจักษ์แจ้งแก่พระไทยของพระองค์แล้วก็ลดละได้เด็ดขาด มองเห็นความดีไปจากแจ้งต่อเนื่องขึ้นภายในพระไตของพระองค์ก็เป็นเหตุให้เกิดจันทาอุสหะในการเพิ่มผูนความดีจนได้จะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบนเส้นทางของความเป็นพุทธะที่แปลวผู้รู้ผู้ตื่นนั้นเป็นเส้นทางสายเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จดำเนินไปและประสบความสาเร็จมาได้ เมื่อพุทธบริษัทที่มีศรัทธามีปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพยายามปฏิบัติกิจโดยเสด็จรออยู่คนบาทก็จะสามารถสัมผัสผลซึ่งเคยเกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์ได้ตามกระงความสามารถแห่งตนต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสื่อต่อไป